วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ามาสร้างความเพียรมาเจริญวิริยะบารมีที่เป็นเหตุที่สำคัญต่อการ ทำให้เกิดผลก็คือมรสีผลสีนิพานหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าถ้าปราศจากความเพียรแล้วผลที่พวกเราปรารถนากันย่อมเกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีความตั้งใจอย่างแรงกล้า มีความจริงใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติที่จะบรรลุแต่ถ้าไม่มีความเพียรพยายามคือพอถึงเวลาที่จะต้องศึกษาถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติก็ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติผลก็จะ กิดขึ้นมาไม่ได้ผลเกิดจากการปฏิบัติการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เกิดจากการศึกษาวิธีการปฏิบัติการศึกษาวิธีการปฏิบัติก็คือการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆเป็นเหมือนกับการดูแผนที่ เมื่อเราดูแผนที่แล้วเราจะได้รู้ทิศ ท, ทางที่เราจะต้องเดินไปดำเนินไปว่าไปทางไหนเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางพอเรารู้ทางแล้วเราก็ต้องออกเดินทางถ้าไม่ออกเดินทางเราจะให้รู้ทางดีขนาดไหนก็ตาม จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปก็จะไม่มีวันไปถึงกันดังนั้นเราต้องเพียรพยายามกันให้มากๆถ้าเพียรพยายามอย่างเต็มที่ก็คือต้องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ ยกเว้นเวลาหลับท่านั้นที่เราจะไม่ทำความเพียนถ้าเราสามารถที่จะเพียนปฏิบัติในทุกเวลานาทีที่เราเตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปผลย่อมปรากฏขึ้นได้อย่างรวดเร็ว อย่างในสติปทานสูตรพระพุทธเจ้าก็ส่งพยากรณ์ไว้แล้วว่าถ้าสามารถปฏิบัติเจริญสติในสี่สถานได้คือกายกตาสติคือเจริญสติที่กายเวทนานุปัสนาสติเจริญสติที่เวทนา จิตานุปัสสนาสติเจริญที่จิตและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเจริญสติที่ทมถ้าเราสามารถเจริญได้ทั้งสี่ประการผลคืออริยมรรคอริยอริยผลขั้นต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมาจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานเกิดจากการเจริญความเพียรนี้เองดังนั้นพวกเราเวลาที่เราได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันมามากพอสมควรแล้วเราควรที่จะสำรวจตัวเองว่า เราได้ปฏิบัติหรื อ, อยังถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติผลที่เลิศที่ประเสริฐก็ยังจะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นเราควรที่จะคอยสํารวจตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังเจริญสติที่กายที่เวทนา ที่จิตที่ทำหรือเปล่าหรือว่าเรากํหลังเจริญสติอยู่กับลาบยศ ส, สรรเสริญอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้าเรามัวแต่ไปเจริญสติอยู่กับการหาลาบยศ ส, สรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผุดถพาเราก็จะไม่ได้มาเจริญสติ ที่กายเวทนาจิตธรรมถ้าเราไม่มาจเจริญสติที่กายเวทนาจิตธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าเราไปจเจริญลาบยศสรรเส ร, ริญลูกเสียงกิรนลดโปรตพระสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราก็จะได้ลาบได้ยศได้สรรเส ร, ริญ ได้รูปเสียงกิริยลดโพธิะแล้วก็ได้ความทุกข์ตามมาเพราะลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกิริยลดโพธิะนี้เป็นอนิจจงไม่เทีย่ยมมีการเจริญแล้วก็มีการเสรื่อมเวลาเจริญนาบยศสรรเสริญเจริญรูปเสียงกิริยลดโพธิปะ ก็มีความสุขพอเวลาที่ราบยศ ส, สรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโภชพระเสื่อมไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเมื่อเสื่อมไปแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะหาใหม่ก็จะพยายามสร้างพยายามหารูปเสียงกลิ่นรสโภชพระ หาลาบยศสรรเสริญใหม่พอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกิ่นรพุทภาพใหม่อีกชีวิตก็จะวนเวียนอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายกับการได้และการเสีย นาบยศสรรเสริญรูกเสียงกิน่นรดโพธภาพจะไม่มีวันที่จะได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานได้เข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้เข้าสู่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นตั้งแต่เติ่ขึ้นมาเราจะต้อง สำรวจตัวเราเองว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังเจริญสติอยู่ที่กายหรือเปล่าอยู่ที่เวทนาหรือเปล่าอยู่ที่จิตหรือเปล่าหรืออยู่ที่ธรรมหรือเปล่าจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่เจริญสติได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพลังกําลังของสติว่าจะมีมากมีน้อย ถ้ามีน้อยก็ต้องเจริญที่กายก่อนถ้ามีมากขึ้นก็เจริญที่เวทนาได้แล้วถ้ามีมากไปกว่านั้นก็เจริญที่จิตที่ทำตามลาดับไปได้ดังนั้นในเบื้องต้นเราควรที่จะมาเจริญสติที่กายก่อนที่กายกัตาสติคือใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติ เป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของจิตผูกจิตเอาไว้อย่าให้จิตลอยไปหาลาดยศสรรเสริญลอยไปหาลู่เสียงเก่งนสดโพธิภะให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายของการกระทําของร่างกายในทุกกิรลยยบทเช่นพอตอื่นขึ้นมาแล้ว ก็ตั้งสติดูที่กายว่าตอนนี้กำลังอยู่ในท่าไหนพอลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติดูที่กายเลยว่าตอนนี้กายอยู่ในท่าไหนกำลังอยู่ในท่านอนแล้วพอจะลุกเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายไปตลอดพอจะลุกก็รู้ต้องรู้แล้วว่ากำลังจะลุก พอจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งพอลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากำลังยืนพอจะเดินไปทำภาระอะไรต่างๆก็ต้องติดตามร่างกายไปตลอดเวลาใจไม่ควรไปคิดเรื่องอื่นไม่ควรไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความจําเป็นจะต้องคิด ก็หยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก่อนแล้วให้มีสติอยู่กับความคิดแทนความคิดก็เกิดจิตตานุปัสสนานี่เองคิดว่าตอนนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อเราคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาตามติดตามความเคลื่อนไหวของ ร่างกายต่อไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมการไปทํากิจต่างๆที่จะต้องทําในวันนั้นเช่นพอพอต้องไปอาบน้าําก็ให้อยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหาร ก็ให้อยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นไม่ให้ใจไปอยู่ที่อื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติเบื้องต้นเมื่อเรามีสติใจไม่ลอยไปลอยมาพอเรามีเวลาว่างเวลานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตา เมื่อนั่งหลับตาแล้วเราก็กำหนดดูการหายใจของร่างกายดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปณสติการมีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอาณาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกอาณาปณะสติก็คือการมีสติรู้อยู่กับการ หายใจการเข้าออกของลมหายใจให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดเรื่องราวต่างๆให้รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกให้รู้ว่าลมหยาบหรือลมละเอียดให้รู้ว่าหายใจสั้นหรือหายใจยาวตามความเป็นจริงของลม ไม่ต้องไปบังคับให้หายใจยาวหรือหายใจสั้นไม่ต้องไปบังคับให้ลมหยาบหรือลมละเอียดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของการเจริญสติหน้าที่ของการเจริญสติก็คือให้รู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจเท่านั้นเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ไปคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ไม่คิดถึงบุคคลต่างๆเราต้องการที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องการดึงจิตให้เข้าสู่ฐานของจิตให้เข้าสู่บ้านของจิตบ้านของจิตก็คือสมาธิความสงบถ้าเราไม่ปล่อยเรื่องราวต่างๆบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ ใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ไม่สามารถเข้าสู่ฐานที่ตั้งของใจได้ใจก็จะไม่ได้พบกับความสุขของใจไม่ได้พบกับความแน่นหนามั่นคงปลอดภัย ดังนั้นเวลาที่เราเจริญสติเวลาที่เรานั่งสมาธิขอให้เราอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการผูกจิตผูกใจดึงจิตดึงใจให้เข้าสู่ข้างในในกรณีนี้ก็คือลมหายใจเข้าออกแต่เราสามารถใช้อย่างอื่น แทนลมหายใจเข้าออกได้แทนการดูร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เช่นการบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็จะเป็นการใช้แทนร่างกายได้เช่นตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยถ้าจําเป็นจะต้องคิด เพื่อให้รู้ว่าจะ ต, ต้องทำอะไรบ้างก็หยุดบริกรรมพุทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จแล้วดูแล้วว่าจะต้องทำอะไรก็หยุดความคิดแล้วก็กลับมาบริกรรมพุทโธต่อในขณะที่ไปทำภารกิจต่างๆให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธยกเว้นเวลาทำภารกิจที่จะต้องใช้ความคิด ก็หยุดบริกรรมพุโทโธแล้วใช้สติให้รู้อยู่กับความคิดอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่ทำอย่างนี้ไปเพื่อให้ใจนี้ไม่ลอยไปลอยมาไม่ให้ใจลอยไปอดีตไม่ให้ใจลอยไปอนาคตไม่ให้ลอยไปหาราบยศสรรเสริญไม่ให้ลอยไปหาลูกเสียงกลิ่นรถโพธภ ให้ดึงใจให้อยู่ใกล้ตัวเพื่อเวลาที่เราจะดึงใจเข้าสู่ข้างในจะได้ไม่ยากเย็นจะเข้าสู่ความสงบเข้าไปสู่ฐานของใจได้อย่างง่ายดายต้องมีอารมณ์ดึงใจเข้าไปถ้าไม่มีอารมณ์ดึงใจใจจะไม่เข้าไปเพราะปกติใจจะมีอารมณ์คอยผลักดันออกมา อารมณ์ที่คอยผลักดันใจให้ออกไปจากฐานออกไปจากบ้านของจิตก็คือความอยากต่างๆกามัทันหาภาวะทันหาวิภวะทันหาหรือความโลภความโกรธความหลงนี่คืออารมณ์ที่จะคอยดันใจให้ออกไปจากบ้านของใจออกไปหาลาบยศสรรเสริญ ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะออกไปหาความทุกข์ออกไปหาความวุ่นวายใจต่างๆเพราะเรื่องของราบยศนรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องของการเจริญเป็นเรื่องของการดับเป็นเรื่องของการเกิดเป็นเรื่องของการตาย พอออกไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดความดี อ, อกดีใจเกิดความเสีย อ, อกเสียใจตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเจริญก็ดี อ, อกดีใจเวลาเสื่อมก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจดังนั้นเราจึงต้องมีความเพียรพยายามอย่างมาก ที่จะดึงใจให้อยู่กับอารมณ์ของสติอย่างใดอย่างหนึง่งพุโทโธก็ได้หรือจะใช้ร่างกายก็ได้หรือจะใช้อารมณ์อย่างอื่นอาการอย่างอื่นก็ได้ที่พระ อ, องค์ได้ทรงแสดงไว้อยู่40สบประการด้วยกันเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบ กรรมาฐานส0สนี้เป็นอาการหรือเป็นอารมณ์ที่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ฐานให้เข้าสู่บ้านของใจได้ก็คือให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่สมาธิให้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงให้เข้าสู่ความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ เกิดจากการความเพียรพยายามที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ควบคุมใจเอาไว้ควบคุมความคิดพอไม่คิดอะไรใจก็จะว่าจะเย็นจะสบายถึงแม้ว่ายัางต้องอยังไม่ได้เข้าไปในบ้านอย่างเต็มที่อย่างน้อยก็ไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านไม่ได้ออกไปหาเรื่องหาราว ที่จะมาสร้างความร้อนรนสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจต่างๆแต่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิยังไม่ได้เข้าไปในบ้านถ้าจะเข้าไปในบ้านนี้จะต้องนั่งเฉยๆกายต้องนิ่งวาจาต้องสงบใจก็ไม่คิดอะไรถึงจะเข้าไปสู่บ้านได้เข้าไปสู่ฐานเข้าไปสู่ความสงบได้ ต้องมีสติคอยดึงเข้าไปอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงจุดอิ่มตัวของใจคือความสงบนิ่งความว่างความวางเฉยความปราศจากอารมณ์ต่างๆสักแต่ว่ารู้ก็ยังจะต้องเจริญสติไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก หยุดไม่ได้ถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปคือจะไม่เข้าไปสู่ฐานของใจได้เหมือนกับการรับประทานอาหารถ้ายังไม่อิ่มหยุดรับประทานไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันจะไม่มีวันอิ่มจะต้องรับประทานไปจนกระทั่งรับประทานไม่ลงรู้แล้วว่าอิ่มแล้วท่านั้นถึงจะหยุดรับประทานได้ นี่คือเรื่องของการเจริญสติในขั้นต้นผลที่เราต้องการในการเจริญสติในขั้นต้นก็คือให้ใจเข้าสู่บ้านของตนให้เข้าสู่ฐานของตนให้เข้าสู่ความสงบเพราะความสงบนี้จะสร้างพลังให้กับใจจะทำให้ใจมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้ถ้าใจไม่มีพลังไม่มีสมาธิจะไม่สามารถต่อต้านความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆได้จะทำได้อย่างมากก็เพียงแต่ลั ง, งับไว้ชั่วขณะหนึ่งขณะที่รู้สึกตัวว่ากำลังโลภ ก, ก็หยุดได้ปั๊บหนึ่งแต่ไม่สามารถหยุด ได้ตลอดและหยุดไม่ได้นานเดี๋ยวความโลภนั้นก็จะกลับมาใหม่เช่นอยากจะสูบบุหรี่นี้ถ้ามีสติว่ารู้ว่ากําลังอยากจะสูบบุหรี่แล้วรู้ว่าไม่ควรจะสูบก็อาจจะหยุดไปสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวก็กลับมาใหม่กลับมาใหม่อยู่ได้เรื่อยจะไม่มีวันหยุดจนกว่าเราจะเห็นโทษ และเรามีพลังที่จะไม่ต้องการใช้การสูบบุหรี่เป็นการให้ความสุขกับเราถ้าเรามีสมาธิเราจะมีความสุขที่ดีกว่าการความสุขที่ได้จากการสูบบุหรี่เราก็จะหยุดได้ถ้ายังไม่มีความสุขภายในใจเดี๋ยวมันก็หิวอีก ถ้ามันไม่อยากสุขบริมันก็อยากไปอยากในเรื่องอื่นอยากจะดื่มกาแฟแทนอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะรับประทานอะไรไปแทนเพราะใจไม่มีความอิ่มนั่นเองดังนั้นเราต้องสร้างความอิ่มใจให้เกิดขึ้นก่อนด้วยการทําใจให้สงบทําใจให้เข้าสู่ความสงบพอใจสงบ ใจจะมีความอิ่มใจพอออกมาสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาก็จะใช้สติหรือใช้ปัญญาหยุดได้ถ้าใช้สติก็หยุดได้ชัว่วคราวถ้าใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลสอนใจที่หลงอยู่กับ สิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ให้เห็นว่ามันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขเป็นการหาความหิวไม่ใช่หาความอิ่มไม่ใช่หาความพอเพราะว่าได้อะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่เคยอิ่มไม่เคยพอมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนี่คือธรรมชาติของความอยากของความโลภ ที่จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอมีแต่จะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นจะมีความโลภเพิ่มมากขึ้นถ้าไปทำตามความโลภไปทำตามความอยากดังนั้นหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเรามีความชำนาญมีมีกำลังของสมาธิมากเราก็ มาเจริญปัญญาต่อแต่ถ้าในเบื้องต้นเราเพิ่งได้สมาธิเป็นครั้งเพียงครั้งสองครั้งเราก็ควรจะกลับมาเจริญสติหรือจะเจริญปัญญาก็ได้แล้วแต่ความถนัดสำหรับผู้ที่ยังเจริญปัญญาไม่เป็นก็เจริญสติไปก่อนประคอบประครองใจให้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วจะได้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปสร้างฐานของสมาธิให้มีความแน่นหนามั่นคงไปสร้างความชำนิชานาญในการเข้าออกสมาธิไปก่อนจนกว่าจะมีความชนานาญ ต้องการจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ถ้าได้ความชานาญในด้านของการเข้าสมาธิแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของการเจริญปัญญาต่อไปการเจริญปัญญาก็คือให้มีสติอยู่กับร่างกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันในขั้น ขั้นแรกเราก็ให้เจริญที่กายก่อนที่ร่างกายก่อนการเจริญปัญญาที่ร่างกายนี้ก็ให้พิจารณาใฟรักของร่างกายนั้นเองพิจารณาว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะเป็นทารกเหมือนกับวันแรกเกิดหรือว่ามีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงจากทารกก็กลายมาเป็นเด็ก เด็กน้อยจากเด็กเล็กเด็กน้อยก็ามาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็มากลายเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็มากลายเป็นผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็กลายเป็นผู้ชราผู้ชราก็กลายเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็กลายเป็นผู้ตายไป นี่คือการพิจารณาอนิจจของร่างกายทำไมต้องพิจารณาเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเกิดมาเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายกันทำไมเราจึงต้องมาพิจารากันอีกก็เพราะว่าเราไม่รู้อย่างต่อเนื่องเราไม่รู้อย่างตลอดเวลาเรามักจะลืมกันพอเราไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย เราก็ลืมไปเลยเราก็ลืมไปว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเราลืมเราก็ไม่เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกับความแก่ความเจ็บความตายไม่โปรง่งพอไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่โปรง่งพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาก็ปร่งไม่เป็นทําใจไม่เป็นทําใจให้เฉยเฉยไม่ได้ ทำใจไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เสียใจไม่ได้เพราะว่าไม่ทําการบ้านไม่เตรียมตัวไว้ก่อนพอเข้าห้องสอบก็สอบไม่ได้ทําข้อสอบไม่ได้นี่คือสาเหตุที่เราจึงต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ ไม่หลงไม่ลืมเมื่อไม่หลงไม่ลืมแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทําใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายเวลาร่างกายแก่ก็ต้องเฉยเหมือนกับไม่แก่เวลาร่างกายเจ็บใจก็ต้องเฉยเหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บเวลาร่างกายตายก็ต้องเฉยเหมือนกับตอนที่ไม่ตายถึงจะเรียกว่า ทำใจได้ฟองได้นี่คือเรื่องของการเจริญสติที่กายเกี่ยวกับเรื่องอนิจจังส่วนเรื่องทุกขังก็คือให้พิจารณาว่าทำไมเราจึงต้องมาแก้ทุกข์กับความแก่ของร่างกายทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายของร่างกาย ก็เพราะว่าเรายังไปมีความหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราเองพอเราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็จะมีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองพอเกิดความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรถึงทำให้ใจไม่วุ่นวายใจใจสงบใจเฉยได้ก็ต้องใช้การพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราก็ต้องค้นหาดูว่าตัวเรานี้อยู่ตรงไหนในร่างกาย อยู่ในอาการสามสิบสองนี้หรือเปล่าอยู่ในผมหรือเปล่าอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกหรือเปล่าค้นหามันไปค้นไปเรื่อยๆค้นไปจนจบครบอาการสามสิบสองก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายเป็นตัวเรานี้มันอยู่ในความคิดของเราเท่านั้นเราคิดขึ้นมาเองคิดว่าเราอยู่ในร่างกาย แต่ความจริงมันไม่มีในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราแล้วเมื่อเวลาร่างกายนี้มันตายไปมันกลายเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ในขี้เท่าหรืออยู่ในเศษกระดูกหรือนี่คือการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาพิจารณาว่าร่างกายนี้ ทำมาจากดินน้ำลมไฟทำมาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟส่วนหนึ่งทำมาจากลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกทำมาจากน้ำเครื่องดื่มต่างๆที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายของพวกนี้มันเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคลมันไม่มีตัวไม่มีตน เมื่อมันไม่มีตัวไม่มีตนมันจะมาทำให้เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้อย่างไรเหมือนกับเราผลิตรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่งเราก็เอาวัสดุต่างๆมามาประกอบกันวัสดุต่างๆก็เป็นวัตถุเมื่อประกอบรดยนต์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยรถยนต์คันนั้นกลายเป็นตัวตนขึ้นมาหรือเปล่ามันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลากหลายด้วยกันนั้นเอง จำในร่างกายก็เป็นเป็นส่วนเป็นเป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมประสานของธาตุทั้งสี่อรดินน้ำนมไฟที่ผลิตที่มาแปลงกายเป็นอาการสาสบสองแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องถึงวันที่มันจะต้องตายพอตายแล้วมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิม กับคืนสู่ดินน้ำหนุนไถ่พิจารณาให้เห็นอนัตตาในร่างกายถ้าเห็นอนัตตาแล้วก็จะได้ไม่หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราจะได้ไม่เกิดความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากที่จะทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะสบายใจก็จะสงบใจก็จะปล่อยวางเป็นอุเบกขา ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายของร่างกายนี่คือการเจริญปัญญาที่ร่างกายในส่วนของ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ยังต้องมาเจริญในส่วนของกามอารมณ์คือความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเสพกาม อยากจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายของผู้อื่นเช่นเวลาเห็นร่างกายของผู้อื่นแล้วเกิดอารมณ์เกิดความใคร่เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมานี่แสดงว่ามีกามตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วกามราคะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีความหงุดหงิดใจความไม่สบายใจตามมา จนกว่าจะสามารถได้เสพกามได้ร่วมหลับนอนกับบุคคลที่อยากจะร่วมหลับนอนด้วยวิธีที่จะดับการมารมณ์นี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ดูส่วนที่ไม่น่าดูไม่สวยงามของร่างกายของบุคคลที่เรามีการมารมณ์ด้วยเช่นให้ดูเข้าไปข้างใน อย่าดูแตเฉพาะข้างนอกให้ดูอวัยวะต่างๆเช่นดูเวลาที่เขาผ่าศพเขาผ่าแหวก อ, อกแหวกร่างกายออกมาผ่าออกมาแล้วก็ควักเอาอวัยวะต่างๆออกมาให้ดูให้ให้เห็นให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายว่ามันน่ารักน่าพิศวาตรงไหน มันก็น่ารักน่าพิศวาสตอนตอนที่มันไม่ได้อา่าออกมาทัานเองน่ารักน่าพิศวาสตรงที่ผิวหนังนี่เองตรงที่ผิวหนังที่ผมขนเล็บฝันนี้เท่านั้นพอเห็นส่วนอื่นๆหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมขนเล็บฝันที่ไม่น่าดูมันก็จะทำให้ ไม่เกิดกามอารมณ์มันก็จะทําให้ดับกามอารมณ์ได้เช่นเห็นหนังหนังที่เหี่ยวยน่นหนังที่มีแผลมีอะไรที่ไม่น่าดูถ้าเห็นอย่างนี้มันก็จะไม่มีหรือมันจะดับกามอารมณ์ได้หรือจะให้มองในขณะที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดูสร้างศพ ชนิดต่างๆตายหนึ่งวันตายสามวันตายหนึ่งอาทิตย์ดูสภาพที่มันขึ้นอื่นขึ้นพองขึ้นมาแล้วดูสภาพที่มันเละเปะเน่าเปื่อยนี่คือร่างกายที่เราหลงรักที่เราเกิดการอารมณ์ที่อยากจะร่วมเสพกามด้วยเวลาถ้าอยากจะ ตัดปัญหาเรื่องของการมีการมารมณ์ก็ต้องพิจารณาเจริญอสุภกรรมฐานนี้อยู่เรื่อยๆจนเป็นเป็นกายเป็นอาวุธคู่ใจไปเวลาต้องการที่จะใช้ดับการอารมณ์ก็สามารถดับได้ทันทีทันใดการที่จะเป็นอาวุธคู่ใจได้ก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งอยู่คู่กับใจ นึกถึงเวลาใดก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันทีสภาพที่ไม่สวยงามต่างๆของร่างกายนะเพราะเวลาเกิดการอารมณ์จะได้ใช้อสุภานิมาต่อสู้มาต่อต้านมาดับการอารมณ์ถ้าไม่เจริญไม่พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมานี้จะไม่มีอาวุธไว้ต่อสู้ เหมือนกับเวลาที่เกิดไฟไหม้ถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงมีน้ำเวลาเกิดไฟไหม้ก็จะไม่สามารถดับไฟได้แต่ถ้ามีการเตรียมน้ำเอาไว้เตรียมเครื่องดับไฟเอาไว้พอเกิดไฟไหม้ก็สามารถที่จะใช้น้ำดับไฟได้ ท, ทันทีเราจึงต้องพิจารณาอาสุภะอยู่เรื่อย หลังจากที่เราได้พิจารณาเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไปแล้วผ่านเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไปได้แล้วเราก็ต้องมาพิจารณาอสุภะเพื่อเราจะได้ไม่มาทุกกับเรื่องการหาคู่ครองเรื่องของการเสพกามอารมณ์ นี่คือขั้นของการเจริญกายกตาสติที่เราจะต้องพิจารณากันส่วนเวทนานี้เราก็ต้องพิจารณาเพื่อให้เราปล่อยวางความเจ็บของร่างกายร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะต้องเจ็บไข้ได้ปวด่วย เวลาเกิดความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าเราพิจารณาเวทนาเป็นเราเข้าใจเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะปล่อยวางเวทนาได้แต่เราไม่ได้ดับเวทนาเราปล่อยวางคือเราไม่ไปมีความอยากกับเรื่องของทุกขเวทนา ไม่มีความอยากที่จะให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปนี้ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาที่เป็นที่เป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าทุกขเวทนาของร่างกายการเจริญเวทนานุปัสสนาสติก็เพื่อที่จะสอนใจให้ปล่อยวางทุกขเวทนานี้องเพื่อละ ตัณหาความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพื่อจะได้ทำให้ไม่เกิดทุกขทางใจขึ้นมาถ้าเรามีสติมีปัญญารู้จักวิธีพิจารณาเวทนารู้ว่าเวทนานี้ไม่เที่ยงมีสามแบบด้วยกันมีสุขมีทุกมีไม่สุขมีไม่ทุกเขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัย เหมือนกับฝนฟ้าอากาศนี่แหละฝนฟ้าอากาศเขาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกสลับกันไปสลับกันมาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาให้ตกหรือไม่ตกให้แดดออกหรือไม่ออกฉันใดเวทนาของทางร่างกายก็แบบเดียวกัน เดี๋ยวก็สุขบ้าง <c oughs> เดี๋ยวก็ทุกบ้าง <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่สุข <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ <c oughs> เราจะไปสั่งว่าเอาแต่สุขอย่างเดียวทุกไม่เอาไม่สุขไม่ทุกไม่เอาเราสั่งไม่ได้ถ้าเราสัง่งหรือเราอยากให้มันสุขอย่างเดียวเวลามันไม่สุขอย่างเดียวเราก็จะทุกข์ใจถ้าเราไม่มีความอยากกับเวทนาทั้งสามเราลับ ความจริงของเวทนาทั้งสส่วนได้สุขก็รับได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รับได้ทุกข์ก็รับได้เวลาเขาเกิดขึ้นมาเราเพียงแต่รับรู้ไว้เฉยๆไม่มีความอยากที่จะให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราได้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยปัญญาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราได้ตามความอยากและเราจะเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวปัญหาที่ทําให้เราทุกทรมานใจพอเราหยุดความอยาก ให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาใจก็จะวางเฉยปล่อยวางไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเวทนาทั้งสามส่วนจะเป็นส่วนไหนก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับเขาไม่มีความอยากกับเขาถ้าไม่พิจารณานี้เวลาเกิดสุขเวทนาก็จะมีความอยากให้สุขเวทนานี้ สุขไปเรื่อยๆไม่ให้เปลี่ยนไปพอเวลาสุกเขเวทนาเสื่อมไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็จะเกิดความอยากให้สุขเวทนาเกิดขึ้นมาพอไม่เกิดก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเราอยากไม่ทุกขเวทนาดับไป พอทุกเขเวทนาไม่ดับก็เกิดความทุกข์ใจทรมานใจขึ้นมานี่เป็นเพราะว่าไม่มีปัญญาไม่เห็นความจริงของเวทนาว่าเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้เป็นตัวเราของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้สิ่งที่เราสั่งได้ก็คือใจของเรานี้เองใจของเรานี่แหละคือตัวเรา เราสั่งให้ไม่ทุกได้สั่งให้ไม่อยากได้แต่เราต้องมีเครื่องมือสอนใจเพราะถ้าไม่มีเครื่องมือสั่งเฉยๆมันก็ไม่ฟังเพราะมันถูกคำสั่งเก่าสั่งเอาไว้ให้มีความอยากความคำผู้สั่งเก่าก็กคือความหลงความหลงที่ไปคิดว่าอนัตตาคิดว่าเวทนาเป็นตัวเราของเรา ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราที่เราจะสามารถสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราจึงต้องใช้ปัญญามาแก้ตัวหลงเอามาแก้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวก็คือทำใจรับรู้ไว้เฉยๆเท่านั้น อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์นี่ก็คือเรื่องของการเจริญสติเจริญปัญญาที่กายกเวทนาเมื่อเราผ่านกายกเวทนาได้เราก็จะเข้าไปสู่ตัวจิตอีกทีนึงเราก็ต้องไปพิจารณาส่วนของที่ส่วนของตัวจิตที่ยังเป็น มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความสุขความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจพวกนี้ก็เป็นอนิจจังมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวใจสุขบ้างเดี๋ยวใจทุกข์บ้างเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวหมดหงิดลำคาญใจเดี๋ยววุ่นวายใจเดี๋ยวก็สงบอันนี้คือตัวจิต ที่เราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจ์เหมือนกับร่างกายที่มีเวทนาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็พิจารณาแบบเดียวกับที่เราพิจารณาพิจารณาร่างร่างกายกับเวทนาพิจารณาด้วยปัญญาด้วยธรรมด้วยธรรมก็คือด้วยไตรลักษณ์อนิจจ์ทุกขังอนัตตานี้ ทำนี่แหละเป็นเครื่องมือพิจารณาด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังก็มีอริยสัจสี่ควบพ่วงไปด้วยพิจารณาไตายักควบคู่กับพิจารณาอริยสัจสี่เพราะไตายักก็มีทุกขังทุกขังก็มีทุกสมุทัยนิโรจมรรคนี่มันควบคู่กันไปในมรรคก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามรรคก็คือปัญญาปัญญาก็ต้องเห็น ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าเป็นเวทนาไม่ว่าเป็นจิตมีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงมีสุขมีทุกข์สลับกันไปก็ต้องรู้ทันแล้วปล่อยวางปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้ามีการปล่อยวางได้ต่อไปมันก็จะเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติของมันเอง ที่มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่ามีความโลภความอยากไปวุ่นกับมันเองไปยุ่งกับมันเองพอไม่มีความโลภความอยากไปยุ่งกับจิตปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเดี๋ยวมันก็สิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับเกิดดับมันก็จะหายไปหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นความว่างไปจักแต่ว่ารู้ไป มีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลานี่คือเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมธรรมก็คืออริยสัจสี่ไต่ลักทุกครั้งที่เราพิจารณาอ น, นิจจทุขังอนัตตาพิจารณาอริยสัจสี่ไม่ว่าจะในส่วนของร่างกายก็ดีในส่วนของเวทนาก็ดี หรือในส่วนของจิตก็ดีก็เรียกว่าเรากําลังเจริญสติเจริญปัญญาอยู่ที่ที่ธรรมนี้เองดังนั้นการปฏิบัติเมื่อถึงเวลาแล้วกายเวทนากิตธรรมนี้บางทีมันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันเพราะมันมีส่วนที่มันเชื่อมกระต่อเนื่องกันเพียงแต่ว่าเราจะจับตัวไหนขึ้นมาเป็น เป็นจุดพิจารณาเท่านั้นเองที่เราต้องเลือกจุดก็เพราะว่าเรามีปัญหากับตรงจุดนั้นเช่นเรามีปัญหากับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายถ้าเรามีปัญหากับกามารมณ์เราก็ต้องพิจารณาตรงจุดนั้นแต่การพิจารณามันก็มีจิตมีเวทนามีร่างกายมีธรรมเกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลา แต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเราไม่มาสนใจที่จะมาแยกแยะว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกายเราพิจารณานี้เอาตรงตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวทุกข์กับตัวสมุทัยนี้เท่านั้นเองที่เราต้องการจัดการมันถ้ามันทุกข์ก็แสดงว่ามันต้องมีสมุ ท, ทัยถ้ามันมีสมุ ท, ทัยมันก็ต้องใช้ตายรักเข้าไปรงับมันถ้าเห็นตายรักเมื่อไหร่ สมุทยก็จะดับไปเมื่อ น, นั้นนี่คือเรื่องของเวลาปฏิบัติมันจึงไม่เหมือนกับเวลาศึกษาปริยัตินี่เพราะเวลาปริยัตศึกษานี่เวลาชี้แจงนี่มันเหมือนกับต้องมาแยกแยะที่เราสัต์ที่เราส่วนให้ให้เห็นให้เห็นภาพที่เราสัตย์ที่เราส่วนแต่ความจริงเวลามันเกิดเหตุการณ์เกิดเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันมันมันปนกันหมดมัน เวลาปฏิบัติแล้วมันจะรู้เองว่ามันจะต้องพิจารณาอะไรตรงไหนอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรอะ่มานั่งเรียงลาดับว่ากายเป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอย่างนี้มันทาไม่ได้มันจะเข้าไปสู่ตัวธรรมตัวเดียวก็คือตัวใตรักษกับตัวอริยสัจสี่ท่านั้นเองนี่คือเรื่องของการเจริญสติในสติปัฏฐาน4ความเพียรถ้าเราสามารถเพียร อยู่ในสติปัฏฐานสี่นี้ได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้แ ล, ล้วว่าภายในเจวันนี้ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้หรือไม่เจดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีขึ้นอยู่ที่ภูมิปัญญาความรู้ความฉลาดของแต่ละคนที่อาจจะไม่เท่ากันแต่ก็ไม่สุดวิสัยของความเพียร ถ้าเพียรปฏิบัติอยู่ในวงของสติปัฏฐานสี่นี้แล้วยจะต้องได้มากผลนิพพานอย่างแน่นอนนี่แหละคือเรื่องของความเพียรที่พวกเรามาเจริญกันในวันนี้ในเบื้องต้นเรามาเจริญปริยัติธรรมมาฟังศึกษาแนวทางของการปฏิบัติเมื่อเราได้ทราบได้เข้าใจถึงแนวทางของการปฏิบัติแล้ว ขั้นต่อไปเราก็ต้องไปปฏิบัติกันการปฏิบัติจะได้ผลเราก็ต้องมีสถานที่เรียกว่าสัปปายะถ้าสถานที่ไม่สัปปายะมันจะเกิดผลขึ้นได้ยากสถานที่สัปปายะก็คือต้องสงบกายวิเวกกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกกายต้องสงบก่อนจิตถึงจะสงบได้กายวิเวกก็คือต้องอยู่คนเดียวไปเปิกวิเวก อยู่ห่างไกลจากลาบยศสละเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะจากเรื่องราวต่างๆจากบุคคลต่างๆจากเหตุการณ์ต่างๆถึงจะมีเวลาที่จะมาเจริญสติในสติปัฏฐานสี่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องหาเวลาหาโอกาสให้กับตัวเราถ้าเรายังปิดเว้ไม่ได้เราต้องเริ่มคิดแล้วว่าเร า, เราจะทำอย่างไร เราถึงจะปรีกวิเวกได้ถ้าเราไม่คิดไม่วางแผนเราก็จะไม่มีวันที่จะหาเวลามาปรีกวิเวกได้เพราะเราจะติดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆ ต, ต, ติดอยู่กับบคุคคลต่างๆจนเราไม่สามารถที่จะถอนถอดตัวเราเองออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้แล้วโอกาสอันดีอันงามของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมแต่ไม่สามารถสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาได้เพราะขาดความอุตสาหะความภาคเพียพรพยายามที่จะดึงตนเองให้ออกจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ที่คอยรบกวนคอยขัดขวางการเจริญสติปัฏฐานสีน่นี้นี่แหละคือความเพียรในเบื้องต้นเราต้องเพียปรปลีกวิเวกให้ได้ออกมาอยู่ที่สงบ อยู่ที่เราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนะแล้วเมื่อเราได้มาปีิเวกแล้วก็ระมัดระวังอย่าให้เรื่องราวต่างๆมาดึงให้เราไปไปเสียเวลาถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวภายนอกให้เรายุ่งอยู่กับเรื่องของการเจริญสติในในสติปัฏฐาน4ีนี้เท่านั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องคนนั่นคนนี้ เรื่องอะไรต่างๆที่มันไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งด้วยต้องระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังก็เดี๋ยวก็ไปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะครับแม้แต่เป็นพระบวชแล้วแทนที่จะได้ภาวนาก็กลับไปยุ่งกับภารกิจอย่างอื่นแทนบางทีก็ไปยุ่งกับการตัดเย็บจีวรปฏิธรรบริขารอะไรต่างๆไปสร้างกุติสร้างสารา พอสร้างแล้วก็ลืมการเจริญสติไปสร้างแล้วก็สร้างไปอยู่นั่นทาเงินอยู่นั่ น, น, น, นเวลาที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะไม่มีนี่มักจะเกิดขึ้นกับวัดที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่คอยคุมคอยคอยต้อนให้เข้าสู่ทางจงกรมให้เข้าสู่การไปนั่งสมาธิถ้ามีครูบาอาจารย์นี่พอท่านเห็น มาออกมาเพ่นพ่านอยู่นอกสถานที่ของการปฏิบัติท่านก็จะขับไล่ให้กลับไปสู่สถานที่ปฏิบัติของตนทันทีถ้าดื่นหนึ่งก็จะขับไล่ออกจากวัดไปนี่แหละคือคุณประโยชน์ของครูบาอาจารย์ท่านเป็นเหมือนโคบานคอยต้อนโคให้อยู่ในคลอกไม่ให้มันวิ่งออกไปเพ่นพ่านข้างนอกถ้าโคไม่มีโคบานปล่อยให้มันวิ่ง หากินของมันเดี๋ยวมันก็เพ่นพ่านไปหมดนะฉันใดผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นี้โอกาสที่จะทะเลทลายนี้มีมากถ้าไม่ได้อยู่ใกลก้ครูบาอาจารย์ตัวเองก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์เองต้องเจริญสติต้องเพียรถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังเจริญสติปัฏฐาน หรือว่าเรากําลังไปยุ่งกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ต้องพยายามเตือนสติอยู่เรื่อยๆเพียรอยู่เรื่อยๆถ้าไปยุ่งก็ต้องหยุดมันให้ได้ตัดมันให้ได้แล้วกลับมากับการเจริญสติด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งสมาธิด้วยการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายในทุกอิเดียหมด แล้วเราก็จะได้เข้าสู่ข้างในได้ดึงใจเข้าสู่ข้างในให้มีฐานให้มีกำลังให้มีความอิ่มไวต่อสู้กับความหิวความอยากของกิเลสตันหาแล้วใช้ปัญญาฆ่ามันตามลำดับต่อไปเมื่อปัญญาได้ฆ่ามันหมดแล้วงานที่ต้องทำก็จะหมดสิ้นไปวุตสิตังบ ร, รมจะรือยังเกิดในพรหมจารได้สิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีกิจอันใดที่เราต้องทำอีกต่อไปกิจที่ทำนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นกิจที่ต้องทำเช่นกิจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดจรู้แล้วคือพุทธกิจหเป็นกิจที่ทำเพื่อสงเคราะห์โลกเท่านั้นเองคือการสั่งสอนสัมโลกตอนบ่ายก็สั่งสอนคารวาะ ญ, ญาติโยมตอนค่ำเราสั่งสอนพระภิกษุสามเณรตอนเด็กก็สั่งสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนจะทรงออกบิณฑบาตก็เรงยานว่าควรจะไป ส, สั่งสอนผู้ใดที่กำลังพร้อมที่จะรับคำสอนพร้อมที่จะบรรลุก็จะมุ่งไปสู่บุคคลนั้นหลังจากที่ได้ทรงออกบิณฑบาตและได้เสร็จภารกิจในการดูแลรักษาธาตุขันธ์ของพองค์แล้วพระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นต่อไป แต่นี่เป็นกิจที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะทมันผู้ทำไม่ได้ประโยชน์อะไรจากกิจล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์จากการสั่งสอนสัตว์โลกไม่ได้ประโยชน์เพราะใจของท่านได้ประโยชน์เต็มที่แล้วไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเติมเข้าไปให้มันมีเพิ่มมากไปกว่า น, นั้นได้แล้วแต่ทรงทาทรงทํารารกิจนี้ด้วยความเมตตาด้วยความสงสาร ที่เห็นสัตว์โลกยังถูกความอำนาจอำนาจของโมหะอาวิชชาความมืดบ่อยครอบนำทำให้หลงติดอยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาลาภยศสรรเสริญที่จะต้องหาอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันไม่มีวันจบสิน้นตายจากชาตินี้ไปก็กลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่ เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำเอาอไปปฏิบัติจนสามารถทำลายความอยากต่างๆทั้งหลายใ ห, หให้หมดไปจากใจได้ทท้งนั้นถึงจะได้หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นความสาคัญในการสร้างความเพียรในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลัเมื่อเราสร้างสติแล้วเราจะได้สมาธิเมื่อเราได้สมาธิแล้วเราก็ต้องเพียรสร้างปัญญาตามลําดับต่อไปเราถึงจะสามารถเข้าสู่อริยมรรคอริยรผลได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทิน e ังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัาเพปุเรนทุสังกะปา จันโทปนาราโสยทามณิโชติระโสยทาสพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตาราโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมวทานติ อายุวันโอสุขังภาลัง<า>ตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะถามปัญหาธรรมถามได้ถ้าใครอยากจะถามขอความโกโรณามาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ที่หวังจะได้ยินคำถามด้วย ครับนมัสการครับพระอาจารย์คือคำถามนี้ไอ้พระพระหลวงนาท่านฝากมาถาม น, นะครับท่านเพิ่งบวชได้สองวันษานะครับคือท่านอยู่กับเจ้าวาดที่ปฏิบัติไอ้กิตของสงฆ์แบบไม่ถูกต้องครับคือท่านจะฉันเขา้าเ้าเย็นครับแล้วก็ฉันพวกประเภทเนื้อพวกลาบก้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลวงนาท่าน ก็ไม่สบายใจครับว่าไอ้ศีลของท่านด่างพ่อย ห, หรือไม่นะศีลใครศีลมั น, นเราลักศีลของลงน า, าคใครใครทําใครทําผิดคนนั้นก็ด่างคนที่ไม่ทําผิดถึงแม้จะอยู่กับคนทําผิดก็ไม่ด่างครับมไม่ต้องกังวลถ้าเขากินข้าวเย็นเราไม่กินนี้เราก็ไม่ผิดเราไม่ด่างครับผมแต่ถ้า อยู่กับเขาแล้วก็ขยันขยอให้กินนี่ก็อาจจะมีปัญหาได้ก็ควรจะหาที่อยู่ใหม่หาพระที่มีศีลมีธรรมอยู่ด้วยหาบุคคลส ป, ปายะสถานที่ส ป, ปายะก็คือสถานที่สงบเ อ, อบื้ออานวยต่อการปฏิบัติธรรมบุคคลส ป, ปายะก็คือบุคคลที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเอื้อต่อการรักษาศีรลรักษาธรรม ถ้าอยู่กับบุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ถือว่าเ อ, อื้อมีแต่จะทำให้เราเออชุดรากเราลงต่ำได้ดังนั้นถ้าเรามีที่ที่ดีกว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีกว่ า, า, า, ก, วาก็ควรที่จะไปถ้าอยู่แล้วไม่เจริญอยู่แล้วเสื่อมก็อย่าอยู่ถ้าไปแล้วเจริญก็ไป แต่ถ้าไปก็เสื่อมอยู่ก็เสื่อมก็ทนอยู่ที่เดิมไปต่อทำใจเอาไว้อย่าไปทําตามเขาก็แล้วกันให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนให้ยึดพระพุทธเจ้ายึดพระอริยสงสาวกเอาแบบฉบับของท่านแทนคนอื่นจะทํายังไงเราอย่าไปสนใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเรา ดเดี๋ยวครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขายกมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับคำถามข้อแรกจากคุณเบิร์ตนะครับข้อที่หนึ่ง ความพอดีในการปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าในการปฏิบัติแต่ละครั้งเราควรจะได้สมาธิก่อนแล้วค่อยเลิกจากการปฏิบัติถึงขาหากักเราก็จะไม่ลุกจากการภาวนาอย่างนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ควรกระทำหรือไม่น้องอ่านคถาถามใหมไ่ไม้เข้าใจครับความพอดีในการปฏิบัติธรรม ถ้าเราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าในการปฏิบัติแต่ละครั้งเราควรจะได้สมาธิก่อนแล้วค่อยเลิกจากการปฏิบัติถึงขาจะหักเราก็จะไม่ออกจากการภาวนาอย่างนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ควรกระทําหรือไม่คือหมายถึงว่านั่งสมาธิไปจะไม่ลุกจนกว่าจิตจะสงบหรือ ว, ว่ากว่าจะได้สมาธิหรือจิตสงบครับอาจารย์ถ้าขาจะหักก็ยอมให้ขาหักไปก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ทรง ประทับอยู่ใต้โคนต้นโพแล้วทรงตัดไว้ว่าถ้าไม่บรรลุไม่บรรลุโมกขธรรมก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปแม้เรื่องแม้เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกยอมตายอันนี้ก็แล้วแต่ละคนจะตั้งสัจจคตกกิการเอาไว้เองแล้วก็ต้องดูกำลังของตนว่าตั้งแล้วทำได้หรือเปล่า ถาตั้งแล้วทาไม่ได้ตั้งไปมันก็ป่วยการตั้งไปแล้วพอเจ็บหน่อยก็ลุกแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีสัจจะดนั้นก่อนที่จะตั้งอธิษฐานสัจจะอธิษฐานนี่ต้องดูกําลังของตนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําให้ร้ายผลคือมันจะต่อไปจะตั้งสัจจะอธิษฐานมันก็จะตั้งไม่ได้ตั้งแล้วมันกล็ล้มตั้งแล้วมันกล็ล้ม นั้นก่อนที่เราจะตั้งเราต้องมีความมั่นใจจริงๆว่ายอมขาหักจริงๆยอมตายจริงๆถ้าไม่ได้ผลจากการปฏิบัติจะไม่ลุกเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็ควรจะตั้งเพราะมันจะเป็นตัวเป็นกรอบที่จะบังคับให้เราเจริญความเพียร น, นี่เองปกติใจนี่เวลาปฏิบัติแล้วพอเจอความทุกข์ยากลำบากขึ้นมาก็จะยกทงขาวและยอมแพ้ ถ้ายกธงขาวทุกครั้งมันก็จะไม่มีวันที่จะสำเร็จได้แต่ถ้าไม่ยอมยกธงขาวยอมสู้จนตายยอมตายถ้าไม่สำเร็จก็ตายอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่มักจะสำเร็จกันทั้งนั้นดังนั้นก็แต่ละคนก็ต้องต้องดูกำลังของตนเองก่อนว่าจะาตั้งได้สักเท่าไหร่เหมือนกับเวลาที่เราจะ ทำอะไรเราก็ต้องดูกำลังของเราเช่นเราจะยกของเรายกได้กี่กิโลเราก็ต้องรู้กำลังของเราถ้าเราไปตั้งน้ำหนักที่เกินกำลังของเราตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะยังไงก็ยกไม่ไหวอยู่ดีเอาของที่มันอยู่ใกล้เอื้อมมือของเราก่อนแล้วค่อยขยับไปทีละขั้นข้อที่สอง การปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติต้องหมั่นสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ว่าการภาวนาของเราเก้าวหน้าหรือถอยหลังปฏิบัติไม่ถูกผิดกับจริตตนเองเพราะจะทำให้การภาวนาล่าช้าเสียเวลาและควรมีครูบาอาจารย์คอยแนะนําการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดหรือไม่ครับถ้ามีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงเป็นผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะดีมาก แล้วก็เราก็ต้องคอยบันตรวจตาตัวอะไรเอาเองว่าเรากำลังปฏิบัติตาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ปฏิบัติหรือไม่ข้อที่สามจิตไม่อยากคิดอยากปงุงจิตลำคาญความคิดเป็นจิตระดับไหนครับมันก็ระดับไม่อยากจะคิดอย่างนี้ คำถามข้อต่อไปจากคุณเก๋ tricks, นะครับการที่จะฝึกจิตไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์มีหลักอย่างไรเจ้าคะบางทีถ้าสติทันก็จะเห็นตัวตามดูตามรู้ดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่บางทีสติไม่ทันมันก็ไหลตามไปเรื่อยกว่าจะรู้สึกอีกทีก็ยาวเลยก็ต้องตั้งสติเรื่อยๆต้องเจริญพุทธานุสติ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆมันก็จะมีที่ยึดของจิตจิตมันก็จะไม่ไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆถ้ามันบริกรรมพุโทโธเดี๋ยวมันก็เผลอมันก็ไปคำถามข้อต่อไปจากคุณจอห์นนี่นะครับศาสนาช่วยมนุษย์ให้พ้นจากบาปได้ไหมครับศาสนาช่วยไม่ได้ศาสนาเพียงแต่สอน ให้มนุษย์ช่วยตัวเองบอกทางผิดทางถูกให้แก่มนุษย์ให้รู้ดีรู้ชัวให้ละเว้นการกระทำชั่วละเว้นการกระทำบาปแต่ถ้าศาสนาบอกแล้วมนุษย์ไม่ทำตามก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีคำถามข้อต่อไปจากคุณบูซำนะครับ การที่เรานั่งสมาธิจนจิตสงบเหมือนกับว่าเราทำงานมาหนักมากและได้พักผ่อนวางทุกสิ่งสบายขนาดนั้นไม่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วไม่คิดอะไรล่วงหน้ามีอยู่แต่ปัจจุบันไม่มีความคิดอะไรเลยรู้สึกสงบมากสิ่งนี้คือการวางอุเบกขาใช่หรือไม่คะและถ้าใช่มันเป็นอุเบกขาตัวเดียวกับที่พระอาจารย์เคยสอนว่า เวลาเจอเรื่องชอบใจหรือไม่ชอบใจให้วางอุเบกขานั่นคือการวางจิตให้สงบแบบเดียวกับการนั่งสมาธิแล้วสงบปล่อยวางทุกสิ่งใช่หรือไม่คะถ้าไม่ใช่ขอท่านอาจารย์เมตตาสั่งสอนด้วยค่ะใช่ใช่ถูกต้องที่พูดมานี่ถูกต้องคือต้องให้เข้าถึงตัวอุเบกขาแล้เราถึงจะดุดได้รู้จักวิธีทําใจให้เป็นอุเบกขาได้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิ ถ้าเราไม่รู้จักอุเบกขาเวลาเราจะหาอุเบกขาเราหาไม่เจอเหมือนกับเราขับรถถ้าเราไม่รู้จักเกียร์ว่างเรารู้แต่กเกียร์เดินหน้าเดินถอยหลังเราก็จะหาเกียร์ว่างไม่เจอเวลาจะให้รถมันอยู่ว่างๆให้มันไม่วิ่งไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังมันก็ทาไม่ได้ใจของคนที่ไม่มีสมาธิก็เป็นเหมือนใจที่ไม่มีเกียร์ว่าง เวลาคนเวลาไม่มีสมาธินี่มกักจะต้องมีปฏิกิริยาไม่รักก็ชังลักก็เหมือนเข้าเกียร์เดินหน้าชังก็เข้าเกียร์ถอยหลังแต่เวลามาฝึกทําสมาธิทําใจให้สงบใจนิ่งใจว่างใจก็จะเป็นอุเบกขาพอเรารู้แล้วว่าอุเบกขาเป็นยังไงมีคุณมีประโยชน์กับเราอย่างไรเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็พยายามรักษาตัวนี้ไว้เวลาเกิดความอยากเราก็ มันเราก็ดึงมันกลับเข้ามาเกี่ยว่างแทนด้วยปัญญาคำถามข้อต่อไปจากคุณชมนะครับถ้าญาติมิตรของเรายังไม่เข้าใจหลักธรรมะแล้วเราควรจะเผยแพร่ธรรมะให้เขาไหมคะเพราะเราเองก็ยังรู้ธรรมะไม่ลึกซึ้งแต่อยากช่วยเขาให้มีจิตใจที่ดีขึ้นสมควรหรือไม่คะที่จะนำคำสอนของหลวงพ่อไปเผยแพร่ ให้กับคนเพื่อเป็นธรรมทานกลัวเขาไม่รู้สึกเหมือนเราก็ต้องดูว่าเขาสนใจหรือไม่สนใจสังเกตดูเวลาเราเอาเงินให้เขานี่เขายินดีรับหรือเปล่าเราเอาหนังสือทําให้เขาเขายินดีรับหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปให้เขาให้ในสิ่งที่เขายินดีเพราะของพวกนี้มันมันยัดเยียดให้กันไม่ได้ แต่ถ้าเราให้เขาเผื่อไว้ในอนาคตก็ไม่เป็นไรเช่นให้เขามีหนังสือธรรมะอยู่ที่บ้านถึงแม้ตอนนี้เขาไม่สนใจไม่มีเวลาศึกษาไม่อยากอ่านก็ไม่เป็นไรเผื่อเวลาข้างหน้าเกิดเขามีความไม่สบายใจทุกข์ใจแล้วเขาหยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่านก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเขาได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณกรกฎนะครับขอเรียนถามพระอาจารย์สองอย่างข้อที่หนึ่งการเจริญปัญญาเราจะต้องกําหนดใจอย่างไรการทําสมาธิเราจะบริกรรมพุทโธหรือกําหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นหนึ่งแล้วการเจริญปัญญาเช่นกําหนดอสุภะเราควรกําหนดจิตอย่างไรเพราะปัญญารู้แจ้งทางศาสนาไม่ได้เกิดจากความคิด เราจะต้องมีคำมากําหนดเพื่อดูลงไปเหมือนสมาธิไหมครับเกิดทางปัญญานี้เราต้องการเห็นความจริงเห็นความจริงของสิ่งที่เราไปหลงไปรักไปชอบหรือไปเกลียดให้เราเห็นว่าเขาเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนิจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเรามีความหลงไหลข้างใครกับร่างกายของ ใดผู้หนึ่งเราก็ต้องดูส่วนที่มันไม่สวยไม่งามเพื่อที่จะได้ทําลายความลหลงไหลว่าเขาสวยว่าเขางามจะดูในลักษณะเป็นซากศพก็ได้ร่างกายของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นด า, าราภาพยนตร์หรือนางงามจั ก, กราวาลในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นซากศพไปเวลาเป็นซากศพแล้วมันน่ารักน่าดูน่าชมหรือเปล่าหรือเวลาเราเผ่า พาร่างกายออกมาดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังดูแล้วมันน่ารักน่าชมหรือเปล่านี่คือการเรื่องของปัญญาก็คือการเอาความจริงมาให้ใจเห็นใจเห็นความจริงเพียงด้านเดียวคือด้านสวยด้านงามจิงทำให้เกิดความหลงรักขึ้นมาแต่พอเห็นส่วนที่ไม่สวยงามขึ้นมาก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ คนเราถึงวาักจะชอบกันเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วมันไปเห็นส่วนที่ไม่สวยงามมันเดี๋ยวมันก็อยากกันนี่ก็คือเรื่องของปัญญาเราต้องเห็นทั้งสองด้านเห็นทั้งด้านสวยและด้านที่ไม่สวยเช่นเดียวกับด้านเกิดแล้วก็ต้องเห็นด้านดับด้านแก่ด้านเจ็บมันต้องเห็นให้ครบทุกด้านถึงจะจะถึงจะดับ ความอยากดับความทุกข์ได้ที่เรามีทุกข์กันก็เพราะว่าเราเห็นด้านเดียวเห็นว่าสวยเห็นว่าดีเห็นว่าจะอยู่กับเราไปนา น, านๆจะให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆดีเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆในบุคคลต่างๆนล้วเราต้องมาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆแล้วเราก็จะได้ไม่หง เังนั้นปัญญาก็คือการสอนใจให้เห็นความจริงและต้องเห็นความจริงตลอดเวลาจนไม่หลงไม่ลืมอยากไปคิดว่าเห็นพิจารณาครั้งเดียวแล้วเห็นเข้าใจแล้วเห็นว่าไม่สวยแล้วเห็นอสุภะแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจต้องมาดูอีกทีว่ามีการมาลมอยู่หรือเปล่าถ้าไปเห็นสิ่งที่สวยงามขึ้นมา <c oughs> เกิดการมลลมขึ้นมาหรือเปล่า ถ้ายังเกิดก็แสดงว่าปัญญายัางไม่พอก็ต้องพิจารณาต่อสอนคือมันกับท่องจําให้มันจําให้มันติดกับใจหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอสุภะเห็นสร้างศพเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ภายใต้ผิวหนังต้องเห็นตลอดเวลามันถึงจะทําลายความอยากได้ทําลายความทุกข์ได้ข้อที่สอง การเดินจงกรมควรจะทำแบบไหนดีกำหนดการก้าวเดินหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนการนั่งสมาธิได้ไหมครับได้ทั้งนั้นนะการเดินจงกรมก็เพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบทของร่างกายเท่านั้นเพราะว่าร่างกายนี้ไม่สามารถตั้งอยู่ในเอริยาบทใดเอริยบทหนึ่งได้ตลอดเวลาเพราะจะเกิดการชำรุดสุดโทมหรือเกิดการเจ็บปวดได้จึงต้องมีการเปลี่ยนอริยาบท ส่วนการบําเพ็ญจิตติภาวนานี้ก็บําเพ็ญต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดถ้าจเจริญสติด้วยพุโทโธก็พุโทโธต่อไปก็ได้ถ้าจเจริญสติด้วยการดูลมหายใจก็ดูลมหายใจต่อไปถ้าจเจริญสติ ด, ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเท่านั้นเองไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนก็คืออิริยาบทของร่างกายเท่านั้นเองเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดความเมื่อยล้าของร่างกาย เดินมากมา ก, มากเมื่อยล้าเหนื่อยก็หยุดมานั่งนั่งมากๆเหนื่อยง่วงนอนก็ลงไปนอนนี่คือเรื่องของร่างกายแต่เรื่องของจิตนี่ก็ยังเหมือนเดิมต้องมีสติประครับประคองคอยควบคุมความคิดหรือเจริญปัญญาแล้วแต่เราอยู่ในธรรมระดับไหนถ้าอยู่ในธรรมระดับสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในธรรมระดับปัญญาก็พิจารณาตายลักไปพิจารณาอสุภะไป คำถามข้อต่อไปจากคุณทิติมานะครับข้อที่หนึ่งทำไมทุกครั้งที่นั่งสมาธิถึงเกิดอาการสะฮืสะอื้นให้อยู่ภายในจิตควรแก้ไขอย่างไรไม่ต้องไปสนใจ เ, เกิดอาการอะไรก็ขอให้เรามีสติทํางานของเราไปเพราะแต่ละคนนี้ก็จะมีอาการแปลกๆ แ, แ, แตกต่างกันไปบางคนพางท่งสักทีก็พอจะนั่งสมาธิก็ตัวแข็งแข็งขึ้นมานะ เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาที่หัวใจใที่กลาง อ, อกบ้างบางคนก็ปวดศีรษะขึ้นมาบ้างอันนี้มันเป็นอาการของจิตที่ต่อต้านของการปฏิบัติธรรมของการเจริญสมาธิถทานั้นเองไม่มีอะไรถ้าเราไม่ไปให้ความสนใจกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปในเวลานั่งไปแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาหรือบางทีนั่งไปแล้วก็อยากจะกลุ่นน้ำลายอยู่นั่นกน้ำลายมันจะหกไหล อย่าไปสนใจถ้าสนใจแนละ้วมันนักมันเสียสมาธิแล้วให้สนใจอย่างเดียวอยู่กับพุทโธ ท, ที่เราใช้เป็นอารมณ์แล้วอยู่กับลมหายใจมัน อ, อาจจะเป็นอะไรอย่าไปสนใจกับมันนล้วเดี๋ยวมันหายไปเองถ้าไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าไปสนใจแล้วมันก็ยิ่งเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเดี๋ยวในที่สุดก็ต้อ ง, ต, องต้องกลือ น, น้ําลายบ้างต้องคันต้องเกาตรงนั้นเกาตรงนี้บ้างหรือถ้ามีอาการรู้สึกอะไรมันก็จะทําให้เราไม่สามารถ อย่านั่งสมาธิต่อไปได้นั้นอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญภาวนาเท่านั้นเองขอแท้คำถามเลยครับพอาจารยถ์ถ้าหากได้สมาธิแล้วเนี่ยเพราะเหตุใดน้ำลายถึงไม่ออกมาครับอาจารย์มันปล่อยวางร่างกายใจมันไปยึ่งกับร่างกายใจเนี่ยเป็นตัวผลิตน้ำลายออกมาคิดอยู่เรื่อยยิ่งคิดมันก็ยิ่งออกใหญ่ ข้อที่สองนะครับการที่เราต้องการจะอโหสิกรรมให้กับคู่อริจะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นการอโหสิกรรมที่ออกมาจากจิตจริงๆที่ไม่ใช่เกิดจากการปรุงแต่งนึกคิดแล้วพูดออกมาก็ไปกอดเขาเล ม, มีอะไรก็ไปให้เขาหรือไปกราบเท้าเขาก็ได้แล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณก๊อฟนะครับ เรื่องการนั่งสมาธิฟังเทศอยากให้พระอาจารย์บอกแนวทางปฏิบัติว่าควรทำอย่างไรบ้างสำหรับผมฟังเสียงอย่างเดียวไม่อยู่ภาวนาพุทโธประคองเรื่อยๆเป็นบางช่วงดีไหมครับผมทำแล้วสามารถนั่งได้นานขึ้นจิตรวมได้แต่ไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสื่อมอันนี้ถูกไหมครับ ถ้าถ้าถ้าจะฟังธรรมรอบบริกรรมพุโทโธไปด้วยก็อย่าไปฟังธรรมบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าเราเปิดเทปแล้วก็ปิดเทปเสียเปิด CD ก็ปิดมันเสียใช้การบริกรรมอย่างเดียวไปการฟังธรรมนี่นอกจากการทําใจให้สงบแล้วยังมีเป้าหมาย อ, อีกอย่างก็คือทําให้เกิดปัญญาคือสิ่งที่ถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เราจะไม่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติต่างๆว่าเป็นอย่างไรนะแต่ถ้าเราฟังเพื่อความสงบอย่างเดียวถ้าเราฟังฟังไม่ได้เราก็เราบริกรรมพุโทโธเราสงบเราก็ใช้บริกรรมพุโทโธไปแต่ถ้าเราต้องการศึกษาต้องการปัญญาต้องการสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าสุตตะมายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังฟังแล้วก็ต้องพิจารณาตามไป ถ้าฟังอย่างนั้นเราไม่ต้องการความสงบเราต้องการความเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วจิตแม่นก็จะสงบไปเองดังนั้นอย่าไปนั่งแล้วตั้งใจว่าต้องการต้องการให้มันสงบมันการฟังธ ร, รมนี้ต้องการให้เกิดปัญญามากกว่าเกิดความรู้ความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องเมื่อมาเกิดความเห็นที่ถูกต้องใจก็จะสงบได้ แต่มันจะไม่สงบเต็มที่เหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิอยู่ตามลาพังด้วยการดูลมลึกด้วยการบริกรรมพุทโธแต่มันเป็นการสงบแบบสบายเย็นไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายใจมีความสุขใจนอกจากว่ามันเป็นระดับและอริยมรรยผลมันก็จะเข้าสู่อุบเบกขาได้เลยเช่นพระอัญญาโกทัญญาหลังจากที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าใจก็ปล่อยวางร่างกายได้ ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายใจของท่านก็บรรย์เป็นพระโสดาบันใจก็เข้าสู่ฐานสู่ความสงบสู่เบกขาได้ด้วยปัญญาอันนี้ก็เป็นเป็นอีกระดับหนึ่งแต่สำหรับทั่วไปนี้เราฟังเพื่อให้เราเกิดความรู้ที่เราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้เรื่องสติสมาธิปัญญาว่าเป็นอย่างไรเราก็ต้องฟัง ฟังไปต่อไปเราก็จะเข้าใจว่าสติมีหน้าที่อะไรสมาธิมีหน้าที่อะไรปัญญามีหน้าที่อะไรเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ฟังเราก็จะสับสนแล้วก็ จ, จะคิดไปเป็นเรื่องอื่นไปก็ได้อย่างที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากดังนั้นการฟังธรรมนี้ฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ได้ฟังเพื่อให้เกิดความสงบเพียงอย่างเดียว ถ้าอยากฟังด้วยความสงบก็ฟังได้คือฟังแล้วไม่ต้องพิจารณาใช้เสียงนั้นเป็นอารมณ์ก่อมใจไปแต่ถ้าเราใช้เสียงไม่ได้ใจไม่ยอมอยู่กับเสียงอยากจะอยู่กับพุโทโธก็ปิดเสียงนั้นเสียอย่าไปฟังเสียงนั้นใช้พุโทโธแทนคำถามที่เหลือยกไปพรุ่งนี้เราประจำอ่าไม่ไม่ครับ ตันนี้ไม่มีใครอยากจะถามอะไรใช่ไหมกลับเกียนพระอาจารย์เจ้าค่ะคือการที่เราลดความผูกพันลดความห่วงใยจากคนใกล้ชิดถือว่าเป็นจิตใจที่ว่าแข็งกระด้างหรือว่าเป็นการ วางอุเบกขาเถอค่ะกลับขอบพระคุณเถอค่ะเป็นความฉลาดฮะคนโง่เท่านั้นอะที่จะไปแบกความทุกข์ของคนอื่นคนฉลาดเขาไม่แบกเขารู้ว่าคนทุกคนนี้ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายไปทุกไปห่วงใ ย, ยอย่างไรก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนความเป็นจริงได้คนฉลาดจริงไม่ไปแบกไปทุกข์ไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นปล่อยให้คนอื่นเขาเป็นไปตาม เรื่องของเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเมตตาหรือความสงสารถ้ามีความสามารถมีเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือได้สงเคราะห์กันได้ก็จะช่วยเหลือคอยดูแลกันเพียงแต่ว่าไม่มาห่วงว่าเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายอันนี้ห่วงยังไงก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปดังนั้นคนฉลาดจึงไม่ไป ไปวิตกไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นแต่ไม่มีแต่ไม่ได้มีความไร้ความเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปยินดีเสมอแต่เมื่อไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องไปช่วยเหลือเขาก็ปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปให้เขาพึ่งตนเองดีกว่าเพราะการพึ่งตนเองนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าผู้อื่นนี้เราจะไปพึ่งเขาได้ตลอดเวลาได้อย่างไร บางเวลาก็พึ่งได้บางเวลาก็พึ่งไม่ได้แต่เรานี่เราพึ่งตัวเราได้ตลอดเวลาเรากลับไม่พึ่งเพราะความขี้เกียจของเราความมักง่ายของเราอยากจะได้อะไรก็ใช้ใเขาไปหยิบให้หน่อยสิแทนที่จะเดินมาแค่สองเก้านี่ก็หยิบได้ก็ไม่ยอมไปหยิบแล้วเวลาต่อไปคนที่เขารับใช้เราเขาไม่ทำตามที่เราสั่งก็จะเสียใจก็จะโกรธขึ้นมาจะทุกข์ขึ้นมา แล้วถ้าเราไม่หัดทำเองเวลาเขาไม่อยู่เราจะกินข้าวนี่ก็คุ้งข้าวไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นแต่ถ้าเราช่วยตัวเราเองนี่ใครจะอยู่ใครจะไม่อยู่เราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือหลักของคนฉลาดเขาจะช่วยเหลือคนก็ต่อเมื่อเขาช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้เช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพิกลพิการหรือเดือดร้อนทั้งด้าน ขาดแคลนซัพย์เข้าของเงินทองก็ช่วยเหลือกันไปเช่นยามเวลามีภัยต่างๆอุทกภัยน้ําท่วมวาตภัยพายุไฟไหม้เราก็ช่วยเหลือกันแต่เราไม่มาคอยมาห่วงเขาว่าเขาจะอยู่อย่างไรเป็นอย่างไรเขาจะเป็นจะตายอย่างไรเราช่วยเขาในเฉพาะเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่เวลาอื่นเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปตามสภาพของเขา ตามบุญตามกรรมของเขาเพราะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไปแก้กรรมของเขาไม่ได้ไปแก้วิบากของเขาไม่ได้เป็นแต่เราอาจจะช่วยผลหนักให้เป็นเบาได้เท่านั้นเองแต่ผลมันจะต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเราช่วยเยียวยาเ็ได้เช่นเวลาเขาเกิดความทุกข์เกิดความสู ญ, สญเสียแล้วเขามีความไม่สบายใจ ถ้าเราสามารถเกลี้กก่อมเขาด้วยปัญญาสอนเขาด้วยปัญญาได้ทำให้เขาปล่อยวางคลายจากความทุกข์ได้อย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ดีแล้วก็ช่วยเหลือเขาไปก็ทำได้เท่านั้นเองดังนั้นการที่เราปล่อยให้ทุกคนอยู่ตามอัตภาพของเขานี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการไม่มีน้ำใจหรือว่าเป็นการอ่เป็นการเห็นแก่ตัวแต่อย่างใด แต่ทุกคนจะต้องขัดพึ่งตนเองให้ได้เพราะการพึ่งตนเองนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนมีคําถามยังไหมพอหรือยังคําถามเมื่อกี้ตอบพอเข้าใจไหมพระอาจารย์ครับผู้ที่รู้ว่าตนเองกําลังจะตายภายในสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยแต่ในขณะที่ เวลาจะใกล้าตายเอ่อบางทีก็จะพูดว่าปล่อยวางได้ความรู้สึกก็จะไม่กลัวตายแต่พอใกล้ถึงเวลาจะตายจริงๆอาจจะเลยแค่อจิจหนึ่งหรือสองสามวันจะตายเนี่ยความรู้สึกจะต่างจากก่อนสองสามเดือนมากจะมีวิธีไหนที่จะสู้กับความรู้สึกนั้นได้ครับอาจารย์ก็ต้องทําใจนะนั่นแหะทำใจให้สงบแล้วยอมรับความตายว่ามันจะต้องมาแน่ๆ อย่าไปฝากความหวังไว้กับหมอกับยาหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนก็ห้ามความตายไม่ได้เป็นแต่อาจจะยืดเวลาออกไปเท่านั้นเองอาจจะรักษาให้หายได้ในรอบนี้ จ, จะอยู่ต่อไปได้อีก5ปี10ปีแต่ในที่สุดมันก็ต้องกลับมาเจอจุดนี้เหมือนเดิมเังนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วก็ปรงมันไปเลยยอมตายไปเลยถ้าปรงได้ยอมตายได้มันก็จบ ต่อไปมันจะตายวันไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรต่อไปเอาละนะคิดว่าการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด